ต่อไปสวดหน้าสิบบทชยะสิทธิคาถาพาหุงสหาสามพินิมมิตาสาวุธันตังกริเมาราังอุทิตะโคราสเสนมารา ทายาทิธรรมวิธินาจิตวัมุนอินโทนตันเตจะสาภวตุเตชยสิทธินิจัง